ปีพุทธศักราช2505ถึง2506พันศาที่18ถึง19ท่านจำพรรษาที่วัดป่าสีสมพรหัวดงบ้านน้อยหนองเข็มอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมบันทึกวัดป่าหัวดงกล่าวไว้ว่าเมื่อปีพุทธศักราช2505ถึง2506ลุงปูศีมหาวีโรท่านมีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย นิยมอาศัยปฏิบัติสมาธิภาวนาอยู่ตามป่าช้าเมื่อท่านทราบว่าท่านพระอาจารย์ฟั่นอาจาร์โรและสิทธิท่านพระารอ า, จ า, ะาะจารย์มั่นหลายรูปเคยเดินทุดงผ่านมาพำนักป่าช้าบ้านน้อยหนองเข็มสถานที่แห่งนี้จึงนับว่าเป็นสถานที่สำคัญควรแก่การรักษาควรสร้างเป็นวัดป่ากรรมาฐานในขณะที่ท่านอยู่วัดป่าหัวดงนี้ท่านได้สร้างเสนาสะนะไว้มากลาย และได้อบรมสั่งสอนสานุรสิทธิ์จนถึงขั้นเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็มีอยู่หลายรูปเช่นหลวงปู่วาจัตตะสันโลชาวจังหวัดนครพนมในสมัยนั้นได้ศรัทธาเลื่อมใสในองค์ท่านเป็นอย่างยิ่งมีผู้มีกิจศรัทธาเข้ามาปฏิบัติธรรมอยู่มิได้ขาดนับว่าท่านได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ชาวจังหวัดนครพนมอยู่มิใช่น้อยสำหรับพระภิกษุสามเณร ท่านจะแนะนำให้ไปอยู่ในป่าช้าที่น่ากลัวเพราะว่าการอยู่ในสถานที่เช่นนั้นจะทำให้มีสติตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาถ้าหากลูกศิษย์คนไหนเป็นคนขี้คลาดตาขาวขี้กลัวผีท่านจะไล่เข้าไปป่าช้าคืนหนึ่งให้ไปถึงสามครั้งครั้งที่หนึ่งไปตอนสามทุ่มครั้งที่สองไปตอนเที่ยงคืนครั้งที่สามไปตอนตีสามลุงปูศรีท่านสอนว่าจะไปกลัวทาไมกับความตาย อยู่ที่ไหนมันก็ตายทั้งนั้นแหละเห็นไหมกิ้งจกตุ๊กแกเขาวิ่งกันอยู่โดยทั่วทำไมไม่เห็นเขากลัวตายตัวเรานี้มันโง่กว่ากิ้งจกตุ๊กแกเสีย อ, อีกถึงกลัวตายมันก็ต้องตายอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละทหารเขาไปรบในสงครามเป็นเป้าให้เขายิงตายอยู่เยอะแยะตัวพวกเราอยู่เฉยเฉยมันจะตายก็ให้มันตายไปเลย จิตใจต้องหาวิธีการสอนมันอยู่อย่างนั้นหนักเข้าจากคนขี้คลาดก็จะกลายเป็นคนกล้าหาญนี่ถ้าพวกเราขี้คลาดขี้กลัวกันอยู่อย่างนั้นปล่อยใจิตใจชั่วชีวิตก็แจ้ความกลัวไม่ได้พระพุทธองค์ท่านยังสอนไว้ให้ชนะความโกรธ ด, ด้วยความไม่โกรธชนะความกลัวด้วยความกล้าถ้าขันติธรรมไม่มีก็บำเพ็ญให้มีให้เกิดขึ้นขันติธรรมก็คือสู้นั่นเอง เมื่อออกพรรษาปีพุทธศักราช2506ท่านดำริว่าเราปรารถนาจะปลีกวิเวกตามสมณวิสัยเพื่อห่างไกลจากคู่คนและญาติโยมเราได้สร้างวัดมามากแล้วเป็นภาระหนักอกอยู่ไม่สั่งจนกระทั่งจิตนี้เข้าได้บ้างไม่ได้บ้างเสื่อมถอยลงอย่างเห็นได้ชัดใจที่เคยมีความสุขอันเลิศเลอเคยกระยิมยิ้มย่องด้วยธรรมอันเบ่งบานข้างในมาบัดนี้ ได้เกิดความเสื่อมถอยจิตได้รับความทุกข์อยู่เต็มหัวใจเหมือนคนมีสมบัติเป็นร้อยเป็นพันล้านแล้วสมบัตินั้นก็พลันมาฉิบหายมาลายไปต่อหน้าต่อตากลายเป็นยาจกทุกขตะเฉินใจในทันใดบุคคลนั้นจะตั้งตัวรับและยืนหยัดอยู่ต่อไปได้อย่างไรยิ่งธรรมสมบัติคือสมาธิที่เคยได้ลิ้มรสอันเลิศค่าด้วยแล้วมาบัตดนี้เสื่อมถอยไปต่อหน้าต่อตา เสื่อมเพราะความไม่ถนอมรักษาตายใจว่านี้เป็นสมบัติอันจีร้างมั่นคงจะสร้างความสุขให้เราได้ตลอดอนันตการแต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะจิตใจในขั้นนี้ยังมิใช่วิมุตติจิตและเราได้เร่งปฏิบัติสมาธิภาวนาสักเท่าใดคือให้ได้สมาธิธรรมนั้นกลับคืนมาก็หาได้เป็นอย่างเดิมไม่จิตที่เคยคล่องตัวปราดเปรียว เหมือนพญาเสือโคร่งตัวฉลาดที่เที่ยวล่าเหยือ่อคือกิเลสได้ทันท่วงทีมาบัดนี้เหมือนแมวน้อยตัวเชื่องเชื่องได้แต่นึกถึงคำสอนของหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่มั่นผู้เป็นเจ้าชีวิตจิตใจมากระตุ้นเตือนจิตใจให้เกิดกำลังใจว่าอย่าส่งจิตออกไปข้างนอกอย่าส่งจิตไปในอดีตอย่าส่งจิตไปในอนาคตการสร้างบารมีต้องมีร้องไห้น้าตานองหน้า เหมือนกับป่าช้าที่เยือกเย็นพระนิพพานมันอยู่เหนือตายต้องกัดเหล็กกัดขางใจกล้าที่สุดจึงจะถึงมรรคถึงผลจึงย้อนนึกถึงสมัยพุทธกาลที่พระโคติกะท่านจิตเสื่อมจากสมาธิและฌานถึงขนาดฆ่าตัวตายมาแล้วก็มีนั่งคิดอยู่เพียงลำพังว่าถ้าหากหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่มั่นท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านต้องช่วยแก้ปัญหาอันหนักอกนี้ ให้แก่เราได้เป็นแน่แต่นี้ท่านได้นิพพานไปเสียแล้วแล้วใครหนอจะพอช่วยเราได้บ้างได้แต่นึกถึงหลวงปู่บัวสิริปุนโนวัดป่าหนองแสงจังหวัดอุดรธานีจึงตัดสินใจเที่ยวทุดงภาวนาผ่านป่าเขาและพักตามถ้าโดยจุดหมายคือเข้าหาหลวงปู่บัววัดป่าหนองแสงจังหวัดอุดรธานี ท่านพระอาจารย์ทองอินผู้ติดตามหลวงปู่ศรีในครั้งนั้นได้เล่าว่าออกจากจังหวัดนครพนมแล้วหลวงปู่ศรีท่านนำสานุสิตเดินทุดงมุ่งหน้าไปยังอาเภอนาแจจังหวัดสกลนครเข้าพักที่ถ้ำตางงดถ้ำพระถ้ำพระเวทเมื่อถึงถ้ำที่พักหลวงปู่ศรีท่านสอนว่าถ้ำพระเวทนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ถ้าพระมาอยู่ไม่ภาวนาน้าก็จะไม่ไหลไม่มีน้าใช้ ให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติสมาธิภาวนาระวังนะถ้าไปกินไปนอนเฉยเฉยระวังจะไม่มีน้ำใช้เวลาฉันอาหารท่านสอนให้พิจารณาถ้ามองเห็นเนื้อเห็นอะไรต้องพิจารณาลงไปให้เห็นตอนที่มันสดสดด้วยให้เพ่งลงไปเพ่งลงไปบางทีพิจารณาข้าวจนกลายเป็นตัวหนอนขึ้นมายุบยับยุบยับฉันไม่ลงก็ถอยออก พิจารณาอะไรมันเป็นธรรมไปหมดสำหรับพระผู้มีสติหลวงปูสีท่านบอกว่าเส้นทางขึ้นถ้านี้มีพระทองคำที่เทวาอารักษรักษาอยู่บางครั้งมีงูเหลือมนอนขวางทางเข้าถ้าเขาเฝ้าสมบัติของเขาท่านต้องเอามือตบด้านข้างๆเบาๆ เ, เพื่อขอทางเข้าไปดูสมบัติเขาก็ให้ท่านเข้าไปดูได้หลวงปูสีพาลูกศิษย์ไปอยู่ในที่กันดารอาศัยอยู่ในป่าลึก โดยถือคติที่ว่าบารมีเกิดในที่กันดารหรือมานไม่มีบารมีไม่เกิดพระสมัยก่อนต้องใช้ความอดทนมากหลวงปู่ศรีมหาวีโรและคณะพระทุดงได้เดินทางจากอำเภอนาแจจังหวัดสกลนครถึงวัดป่าน้องแซงอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีใช้เวลาแรมเดือนเมื่อถึงที่หมายหลวงปู่ศรีจึงรีบเข้าไปกราบแทบเท้าหลวงปู่บัวสิริปุนโนด้วยความเขารบยิ่ง ท่านทั้งสองเป็นเหมือนพ่อลูกที่จากกันไปนานเมื่อพบกันย่อมถามถึงความสุขทุกในเพศพรหมจันทร์หลวงปู่บัวท่านเล่าว่าจิตของท่านได้ผ่านพ้นจากกิเลสไปแล้วโดยอุบายทำอันแยบคายจากองค์พระหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนแล้วจิตของท่านศีละเป็นอย่างไรพอผ่านพ้นไปได้ในปัจจุบันชาติบ้างหรือเปล่าหลวงปู่บัวถาม หลวงปู่ศรีก็เล่าความที่จิตเสื่อมถอยตั้งแต่ต้นจนจบให้ท่านหลวงปู่บัวฟังท่านทั้งสองนั่งสนทนาธรรมทางด้านจิตใจจนเช้ายันค่ำพูดแต่ภาษาธรรมะล้วนๆดังพระสาวกในครั้งพุทธกาลแม้จะมีแขกโยมที่ไหนมานมัสการก็งดพักเอาไว้ก่อนด้วยว่าเวลานี้เป็นเวลาธรรมฉากัะฉาหัวเลี้ยวหัวต่อแห่งการปฏิบัติเพื่อย ก, กจิต ขึ้นสู่ธรรมขั้นสูงนั่นเองเมื่อสนทนาธรรมจบลงหลวงปู่บัวท่านบังคับเขี่ยวเข็นหลวงปู่ศรีว่าจิตเสื่อมแจ้ยากกนะท่านศรีสติสมาธิและปัญญามันก็เสื่อมไปด้วยกันจิตวิ่งไปตามสัญญาทีแรกก็เพียงสังขารปรุงไปต่างๆในที่สุดก็เป็นสัญญาทําให้เพลิดเพลินเดี๋ยวไปเที่ยวนรกสวรรค์ทําให้เจ้าของเสียสมาธิเสียสติเสียคุณธรรมภายใน แต่ในขณะเดียวกันก็คิดว่าตัวเองได้คุณธรรมชั้นสูงแล้วก็ตื่นเงาตัวเองคนที่จะแก้จิตเสื่อมได้ต้องมีความเพียรกล้าที่สุดจิตเสื่อมนั้นเอาคืนยากต้องคุมให้ดีรักษาให้ดีอย่าได้นอนใจต้องตั้งใจให้ดีถึงจะได้ท่านรีบเร่งบําเพ็ญภาวนาไม่เร่งไม่ได้นะต้องเร่งปฏิบัติจิตเสื่อมนี้ต้องใช้เวลาและความตั้งใจอ ย, อย่างจริงจังตัดความกังวล ตัดหมูตัดคณะให้หมดแล้วภาคเพียรรวมจิตใจให้เป็นเอกจิตให้ได้จิตนี้เสื่อมรอบลงได้ก็เพราะความเพลิดเพลินในการงานความเพลิดเพลินในการสนทนาความเพลิดเพลินในการหลับความเพลิดเพลินในการคุกคลีความหลุดพ้นแหง่งกิจมีอย่างไรไม่พิจารณาอย่างนั้นจิตเสื่อมเกิดได้ด้วยมูลเหตุข้างต้นดังที่ผมเล่ามายิ่งการเสื่อมครั้งนี้ของท่านเป็นการเสื่อมจากทำที่เคยบรรลุ ยิ่งเป็นการยากลาบากเท่าทวีคูณไม่เพียงแต่สมัยนี้เท่านั้นแม้ในสมัยพุทธกาลท่านพระโคติกะเสื่อมจากฌานถึงหครั้งในครั้งที่7ท่านไม่ยอมให้เกิดขึ้นยังทำอัตตวิฎีบาทแล้วจึงปรินิพานพระศ า, าสดายังกล่าวชมเชยว่าภิกษุชื่อว่าโคติกะเป็นนักปราดสมบูรณ์ด้วยปัญญาเครื่องทรงจาเจริญดีแล้วในฌานในการทุกเมื่อ ประกอบความเพียรทั้งกลางวันกลางคืนไม่เยยดีในชีวิตชนะมานและเสดามารได้แล้วไม่กลับมาสู่พบอีกถอนตัณหาพร้อมทั้งรากปริณิพานแล้วขอให้ท่านเด็ดเดียวเอาอย่างพระพุทธสาวกในครั้งพุทธกาลเอาแบบฉบับของท่านพระจารย์มั่นมาสอนใจอยู่เสมอท่านจะแก้จิตที่เสื่อมให้เจริญขึ้นได้อย่างแน่นอนหลังจากท่านได้อุบายธรรมจากหลวงปู่บัวแล้วหลวงปู่ศรี จึงนำไปปฏิบัติแบบพลีกายถวายชีวิตในขณะที่ท่านเร่งปฏิบัติตามอุบายธรรมของหลวงปู่บัวอยู่นั้นด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งจิตเกิดความกังวลกลายเป็นความปริวิตกทำอะไรกลัวจะผิดจะพลาดไปเสียหมดวันหนึ่งท่านเดินจงกรมพิจารณารมบางประการมีกลุ่มหญิงสาวชาวบ้านกำลังแสวงหาอาหารตามท้องทุ่งในที่ไม่ห่างวัดมากนัก พวกนางช้อนกุ้งไปพลางร้องเพลงขับไปพลางหยอกเล่นกันไปพลางหัวเราะกันไปพลางเสียงนั้นได้เข้ามากระทบกระแสะลมแสงแห่งจิตท่านละเอียดของท่านอย่างรุนแรงเหมือนอย่างที่พระบรมศาสดาตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นเสียงอื่นแม้สักอย่างหนึ่งอันจะยึดจิตของบุรุษให้ตั้งอยู่ได้เหมือนเสียงแห่งสตรีจริงอยู่เสียงอื่น ไม่อาจแผ่ไปทั่วสรีราบุรุษได้เท่ากับเสียงแห่งสตรีข้อนี้เป็นความจริงแต่สำหรับหลวงปู่ศรีแล้วกายและจิตของท่านไม่ได้วันไวไปตามอำนาจเสียงและกิเลสขั้นหยาบแบบโลกนั้นแต่เสียงนั้นเข้ามากระทบจิตที่กําลังเพ่งพิ จ, จรารณาธรรมขั้นสูงจิตท่านประวัติถือเอาเสียงนั้นเป็นนิมิตเสียงแห่งสตรีนั้นวิ่งเข้ามาสู่ดวงหไทยข้างในท่านจึงเกิดความปริวิตกแล้วจึงนาความนั้น ไปปรึกษาหลวงปู่บัวสิริปุโนโนท่านจึงให้อุบายทาว่าท่านสีตอนนี้เสียงสตรีมันเข้ามาถึงจิตแล้วให้ท่านนั่งสมาธิแทนอย่าไปเดินจงกรมหยุดการเดินจงกรมให้นั่งสมาธิภาวนาเพียงอย่างเดียวอย่ายุ่งเกี่ยวกับสิ่งใดถ้าจะเดินจงกรมก็เดินเพื่อพักผ่อนอิริยาบถก็เพียงพอแล้วหลวงปู่สีเมื่อได้รับฟังโอวาทจากหลวงปู่บัวแล้ว จึงตั้งสัจจะว่าถ้าจิตยังไม่บรรลุ ธ, ธรรมที่พึงประสงค์แล้วเราจะไม่ยอมลุกไปจากที่เราจะยอมตายถวายชีวิตด้วยสัจจบา ร, รมีท่านได้ปฏิบัติดังที่เคยทำมาแต่หนักหน่วงไปกว่าเดิมโดยท่านนั่งสมาธิอยู่ตั้งห้าวันหคืนเปลี่ยนอริยบทเพียงครั้งเดียวเท่านั้นตั้งแต่เช้ากลางวันไปถึงค่ำสองชั่วโมงเปลี่ยนอริยบทหนึ่งครั้งเปลี่ยนคือ ขยับกายยกขาขึ้นแล้วเอาขาลงเท่านั้นขาหนึ่งก็วางไว้อย่างเดิมแล้วนั่งต่อไปอีกจนรุ่งสางจึงยกขาเปลี่ยนหมายความว่าใน24ชั่วโมงยกขาขึ้นเพียงสองครั้งท่านเอากา้น้ำเล็กๆใส่น้ำเอาไว้จิบพอชุ่มคอเท่านั้นร้อนก็อยู่นั้นหมดอะไรก็อยู่นั้นหมดสู้ทั้งกลางวันกลางคืนไม่ได้สนใจในการหลับการนอนท่านเล่าว่าทุกขเวทนาปรากฏ ตาลประหนึ่งว่าทุกทั้งแผ่นดินมาปรากฏรวมอยู่ที่ร่างกายเราคนเดียวไม่มีทุกอะไรจะเทียบทุกขเวทนาในครั้งนี้ได้ประหนึ่งว่านารกทั้ง8ดหลุมมาเกิดรวมพร้อมกันที่กายใจเรานี้ทั้งหมดถึงขนาดที่ว่ามันดังสะเทือนไปทั่วสันพรางร่างกายร่างกายร้อนรุ่มเหมือนถูกไฟเผาเร่าร้อนไปหมดปรากฏว่าน่องเท้าซ้ายที่มีเนื้อหนาๆเกิดผู้พองโตขึ้นท่วหัวแม่มือ ร้อนคุกรุนเหมือนถูกไฟเผาหลนอยู่อย่างนั้นได้รับทุกทรมานแสนสาหัสสุดที่จะพนนาได้ท่านอาศัยอธิวาสนะขันติคือความอดทนอย่างสูงสุดนั่งพินิษพิจารณาค ล, คลี่คลายสังขารขันส่วนต่า ง, างด้วยสติปัญญาจะตายก็ยอมตายไม่เสียดายอะไรในชีวิตซึ่งเป็นสิ่งสมมติพิจารณาอวิชชาซึ่งเป็นเชื้อของใจพาให้เกิดพาให้ตายวุ่นวายอยู่ไม่หยุดหย่อน พิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังข้างบนข้างล่างตั้งแต่ต้นจนรอบจิตด้วยอาศัยสติปัญญาอันแหลมคมปราดเปรียวว่องไวคอยทะลุทะลวงกิเลสซึ่งเป็นเสี้ยนน้ำคอยทิ่มแทงจิตใจไม่รู้จักจบสิน้นพิจารณาตั้งแต่เช้ายันดึกตั้งแต่ดึกยันคำ่ำจะจีวันจีเวลาไม่สนใจในข้าวปลาอาหารมากกว่าการได้ความกิเลสตัวหลอกลวงอันเป็นวัตจักวัตจิต ซึ่งทำให้เจ็บแค้นฝังลึกบาดใจมันช้านานหาประมาณไม่ได้กําลังกายและใจมีเท่าใดความเพียรกล้ามีเท่าใดทุ่มเทลงไปหมดตะลุมบอลกับข่าศึกสงครามภายในที่ยังมีเชื้อไฟคืออวิชชาถึงจะทุกข์ทรมานแสนสาหัสสักปานใดก็ไม่ลดละการพิจารณาระหว่างอวิชชากับใจเพื่อให้ปรากฏความจริงคืออริยสัจ ธ, ธรรมในที่สุดก็มายุติ ตรงที่ว่าอาวิชชาดับเกิดยานอย่างทราบแน่ชัดว่าจิตหมดการก่อกำเนิดในภพต่างๆอย่างประจักษ์ใจโลกธาตุวันไหวธาตุสี่ขันหต่างอันต่างเป็นอิสระอินรียห้าอายตนะหกทำงานตามหน้าที่ของตนไม่กระทบกระเทือนให้เป็นทุกข์เหมือนดังแต่ก่อนดับทุกข์ที่เผาลนจิตใจมาช้านานโดยประการทั้งปวงเหลือแต่จิต ด, ดวงบริสุทธ สนามเต้นรำทำเพลงและเวทีของกิเลสไม่มีอีกแล้วการทะเลาะบาดหมางลังเลสงสัยสับสนวุ่นวายในดีและชั่วจบลงแล้วจิตว่างเปล่าจากกิเลสและการยึดติดเหลือแต่ธรรมธาตุคำว่าทุกข์ได้พ้นไปจากใจโดยสิ้นเชิงแล้วอัศจรรย์พระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสามารถรู้เห็นได้ก่อนอัศจรรย์พระอริยสาวกผู้สามารถตามเสด็จพระพุทธเจ้าได้ อัศจธรรมที่ตนรู้เห็นถึงความเป็นอัตมโนพิขุคือผู้มีใจเป็นของตนไม่ต้องสแสวงหาที่พึ่งพาอาศัยและไม่ต้องเชื่อใครอีกต่อไปหลวงปู่เซนปัญญาเทโรเจ้าอาวาดวัดป่าหนองแสงปัจจุบันได้เล่าถึงหลวงปู่ศรีมหาวีโรด้วยความอัศจรรย์ใจว่าสมัยผมอยู่วัดป่าหนองแสงหลวงปู่ศรีท่านกาลังเดินจงกรมอยู่ เท่าแจ๋ฮกกับลูกน้องสาสคนเดินมาหาท่านที่กุติหลวงปู่สีท่านก็เดินจงกรมอยู่ตรงนั้นผมก็อยู่ตรงนั้นเท่าแจ๋ฮกและลูกน้องก็อยู่ตรงนั้นหลวงปู่ก็พูดกับผมว่าถ้าเท่าแจ๋ฮกมีธุระจาเป็นเราถึงจะคุยด้วยแต่ถ้าเขาไม่มีธุระจาเป็นอะไรก็ให้เขากลับไปซะผมก็เลยถามเท่าแจ๋ฮกว่ามาหาหลวงปู่ทาไมมีธุระอะไรหรือเปล่าเท่าแจ๋ฮกตอบว่า เปล่าไม่มีอะไรหรอกแค่อยากมากราบท่านเฉยๆผมก็เลยบอกไปตามที่ท่านสั่งว่าหลวงปู่ไม่ให้พบนะเสาแจ้ฮกก็บอกว่าถ้าท่านไม่ให้พบก็กลับกันเถอะเราเสียดายนะมาวันนี้ไม่ได้เห็นท่านแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าหลวงปู่ศรีท่านยืนอยู่ตรงนั้นคนที่เดินมา30สบคนไม่มีใครสามารถมองเห็นหลวงปู่ศรีเลยแม้แต่คนเดียวทุกวันนี้ผมก็ยังอัศจรรย์ใจอยู่ไม่หาย ในอิทธิริศปาติหารการหายตัวได้ของหลวงปู่ีมหาวีโร